เนี่ยพวกนี้คือบางทีธรรมะเนี่ย ม, มันสอนกันคือที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ตัวให้เกิดปัญญาจริงเนี่ยอยู่ที่เจ้าตัวนั่นแหละว่าเออจะทํำยังไงให้มันจิตส ง, งบหรือว่าเห็นความจริงอะไรเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ยมันคนก็เยอะเนาะหลากหลายเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนี่ยราก็พูดอย่างงาน้นอย่างนี้ก็กลายเป็นฟังไม่ทันคิดไม่ทันมันก็คายแล้วยอมคายแล้วเนาะ หายแล้วค่ะ ท, <า> <casi S 1> ท่านตอนนี้หายปวดหัวแล้วคะ่ววคะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะตรงนี้ก็ทําพิณาเป็นปัญญาได้ว่าความปวดหั ว, วญญก็ยังไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงนี่แสดงว่ามันต้องปวดไม่หายใช่ไม่มเนี่ยตรงเนี้ยเดินปัญญาก็คือรู้ซื่อเลยว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วจากปวดหัวก็หายปวดหัวแล้วก็อนาคตเนี่ยก็ไม่แน่มันก็อาจจะปวดหัวอีกแล้วก็หายอีกคือมันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาเห็นความจริงของมันว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันปวดหัวบ้างก็ก็ถูกแล้วไงแล้วมันหายบ้างก็ถูกแล้วแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจตรงนี้พอปวดหัวนิดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าจะมีตัววอยไวอีกแล้วนอกที่หลวงพ่อเทศนั่นแหละความปวดหัวก็คือสิ่งที่ปรากฏเนาะแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ปุงแต่งขึ้นมาแต่รู้ไม่ทันไอตัววอยไวนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเลยรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันก็กลายเป็นเราวอยไววอยไวเรื่องอะไรไวรวยวางเรื่องปวดหัว แต่ถ้ารู้ทันปั๊บมันก็จะเห็นไอ้ตัววอยวายว่าไอ้ตัววอยวายมันก็เป็นแค่สังขารเหมือนกันแล้วก็พอเห็นตัววอยวายเสร็จแล้วตัววอยวายมันก็เป็นเป็นสังขารไปแล้วนี่มันไม่ใช่เราเนาะความหลุดพ้นที่ความยึดถือว่าเป็นเรามันก็ดับดับไปอย่างเงี้ยเออค่อยค่อ ย, อยฟังไปดีแล้วแล ะ, ละอ่ะาขอโทษนะสาธุค่ะ ก็เนาะเหตุการณ์มันเขาเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันก็ปรากฏในระหว่างที่ทําการทํางานพูดคุยนี่แหละมันก็จะปรากฏปรากฏแล้วมันก็หมดไปหมดไปไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นที่ต้องเดินปัญญาก็คือให้เห็นสิ่งที่เกิดแล้วก็มันหมดไปไม่ได้เอาอะไรนะปฏิบัติธรรมไม่ได้เอาอะไรแม้กระทั่งความสุขสบายเนี่ยยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงอเพราะนั้นเพียงแต่เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรก็คือรับทราบไปรับทราบรับทราบ แต่ทีนี้อุบายวิธีเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีเหตุทั้งนั้นแหละว่าทำไมต้องมีอาการทางกายเป็นอย่างนั้นอาการทางจิตเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุแต่ทีนี้บางทีอย่างว่าเนาะไม่รู้เหตุไม่ได้ดับที่เหตุมันก็ยังอาการนั้นมีอยู่แต่ถ้ารู้เท่าทันว่าอ๋อเหตุเพราะอย่างนั้นแล้วก็ไปดับที่เหตุผลมันก็ก็ดับไปด้วยอุบายเนี่ยมันเยอะไปหลวงพ่อบางทีนะเวลาปวดหัวก็ดีหรือปวดร่างกายเนี่ยหลวงพ่อเคยเคยเล่นเล่น่ะคือ ลองหายใจแบบหายใจแรงๆแล้วอัดเข้าไปแล้วก็ผ่อนคลายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเลยว่าไอ้ลมไอ้ลมหายใจเนี่ยมันมีผลต่อระบบร่างกายหลายส่วนมากเลยแม้กระทั่งความปวดร่างกายนะที่มันปวดเนี่ยพอหายใจลึกๆแล้วก็พอค่อยผ่อนคลายเนี่ยมันเห็นเลยว่าไอ้ความปวดบางจุดบางบางช่วงเนี่ยมันก็ผ่อนคลายตามด้วยอันเนี้ยคือเหมือนกับว่า มันทำไปเ ล, เล่นเพื่อศึกษาเรียนรู้แต่ไม่ได้หวังผลว่าถ้าทำแบบนี้หายใจแบบนี้ทุกคราวเลยมันก็จะเป็นผล เ, เขาเรียกว่ามันให้ผลเหมือนกันทุกครั้งก็ไม่แน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยได้เรียนรู้ศึกษาว่าเออบางครั้งเนี่ยลมหายใจมันช่วยได้ตั้งหลายเรื่องไงเออโยมดูดิเวลากินอาหารเผ็ดเผ็ดอ่ะเผ็ดมนเผ็ดที่ปากเนาะมันก็สูดใช่ไหมละ่ะ พอสูตรเสร็จเนี่ยก็เรียกว่าสูตรลมหายใจแล้วมันก็เย็นปากนะพอเย็นปากความเผ็ดก็เบาลงอย่างเงี้ยจริงๆธรรมชาติมันก็ให้ความสมดุลมาหลายเรื่องเลยมันปรับความสมดุลให้แต่เราไม่รู้ธรรมชาติเองก็เลยไม่ได้เอาธรรมชาติมาใช้ให้เพื่อบรรเทาทุกข์อย่างนี้ประมาณเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่โยมหนึู่ยกตัวอย่างก็ได้หมือดดีตรงเนี้ยก็เหมือนกับลองทำ嘛เนาะลองทําแล้วก็มันก็จะเห็น แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่ทําอย่างอื่นมันก็แช่จมอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็วิญญาณไปเกาะเออวิญญาณไปเกาะยิ่งปวดหัวนะสมมติวปวดหัวปั๊บเนี่ยแล้วก็จ้องแต่เรื่องความปวดหัวแล้วก็แช่เหมือนกับรู้แต่เรื่องความปวดหัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องปวดสิเพราะว่าวิญญาณมันไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นเนาะแต่ถ้าลองสมมุติว่ากําลังปวดหัวเนาะแล้วลองมีคนมาเรียกหน้าบ้านไปสันนิมาส่งจดหมายนะสมมตินะ แล้วเห็นไหมวิญญาณหรือจิตเนี่ยมันออกไปรับไปรับสิ่งที่มากระทบอันใหม่ความปวดหัวก็ดับไปเพราะว่าวิญญาณไม่รับรู้การปวดหัวแล้วสุดท้ายการปวดหัวไม่รู้มันหายไปตอนไหนเออเนี่ยเป็นธรรมชาติะจะขอมองอีกมุมหนึ่งครับอาจารย์บางครั้งนี่ถ้าเราตั้งใจฟังแล้วไม่เข้าใจต้องปล่อยให้จิต ไม่เข้าใจไม่ต้องหวังว่าจะต้องเข้าใจอ่ะนะตอนนี้จิตไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจะได้ไม่เครียดแต่ว่าให้กลับมารู้สึกตัวว่าตอนนี้จิตมันสร้างปัญหาให้เราอยากจะเข้าใจแล้วเราไม่เห็นสภาว่าปัจจุบันเกิดความเครียดขึ้นมามันมันจะเป็นในมุมเอ่อที่ทั้งผมเองเห็นเอ่อแบบนี้ครับกาปนรัสการครับผมก็ครับก็จริงๆเราถ้าหาก ถ้าหากฟังฟังไปแล้วน้อมใจตามะครับมันมันจะง่ายมากครับเราสภาวะทั้งปวงมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยครับอืมแล้วก็คือมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมันก็จะโล่ลงพลังงานเอพลังงานต่างๆมันก็จะคลี่คายโดยตัวมันเองครับแต่ถ้าหากเอาขันหรือเอาสิ่งที่มันไม่จริงไปพยายาม ข, าขวายคว้า เพื่อจะหาความจริงในสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็จะมันก็จะฝืนกันเองครับเท่านี้เองครับกปกติเวลาฟังหลวงพ่อก็ก็น้อมน้อมฟังท่านบางครั้งเวลาที่ติดขัดติดขัดอยู่หลายวันมากครับแล้วก็มาเรียนถามท่านอพอท่านก็พูดสองคำผมก็กอึ้งไปเลย มันแค่นี้จริ ง, รงเหรอทำไม ง, ง่ายอย่างนี้จริงจริงมันมันง่ายนะครับมันไม่ได้ยากเกินอะไรถ้าเกิดรู้ถูกแล้วนะครับลองพาให้ดูให้ดูอย่างที่ที่ ท, ที่ที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นะอย่าง เ, ออเดี๋ยวจะเริ่มต้นตรงไหนคือมันมองเป็นอย่างนี้นะก็คือเหมือนกับว่า สิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดเนี่ยประชาชนหลวงพ่อพูดถึงเนาะมันก็เป็นสิ่งปรากฏปราก ฏ, ากฏทางตาทางหูอะไรก็แล้วแต่ง่ายมากเลยเนี่ยไม่ต้องใช้หัวคิดเลยก็เห็นก็เห็นอยู่เห็นไหมได้ยินก็ได้ยินอยูอ่เห็นกับการได้ยินเนี่ยตอนเนี้มันก็เด่นอยู่ อ, อันนีทีนี้ไอ้เรื่องกลู้กลินเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีให้รู้เนาะอ่ะก็ปล่อยไปก่อนมันไม่ปรากฏให้ชัดเจน รสชาติอาหารตอนนี้ไม่ได้กินอะไร ก, กไ็ไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ต้องไปทำอะไรมันเอาไปว่าเรื่องเห็นกับการได้ยินก่อนอตอนนี้นธรรมชาติธรรมดาเห็นก็เห็นอยู่ได้ยินก็ได้ยินอยู่แล้วก็มีตัวเรามีตัวเราอยู่ตรงนี้สำคัญมากเห็นอะไรก็เห็นไปแต่ต้องเห็นตัวเราให้ได้ต้องรู้ตัวเราให้ได้ตรงนี้ ทีนี้ถ้าเห็นตัวเราได้ก็จะพบว่าตัวเรามันก็อยู่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งในในโลกนี้นะสมมติหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องต้นไม้ที่ตามองเห็นตอนนี้น ะ, ะต้นไม้ต้นไม้อยู่ตรงนู่นเราอยู่ตรงนี่เราอยู่ตรงเนี้ยเรากับต้นไม้มันก็เป็นคนละสิ่งแต่มันก็เป็นสิ่งถูกถูกเห็นเหมือนกันต้นไม้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราที่ที่ยืนดูต้นไม้อยู่ ก็เป็นสิ่งถูกเห็นอเห็นไหมมีค่าเท่ากันเลยเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายตัวเราที่เป็นสิ่งถูกเห็นเกิดแล้วมันก็ต้องตายเนียแล้วเห็นอะไรเห็นที่อยู่ด้านหน้านะสมมติว่าเอาเห็นโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วตัวเราก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นอไม่ว่าจะเห็นอะไรแต่จะต้องเห็นตัวเองด้วย เพราะว่าถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็ค่ากับว่าตัวเองไปเห็นสิ่งอื่นแต่ถ้าเห็นตัวเองตัวเองก็จะเป็นสิ่งถูกเห็นทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจะขยับให้อีกก็คือว่าเออไอสิ่งถูกเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏก็มีอยู่ใครจะมาเถียงไม่ได้เพราะว่าเห็นอยู่แต่ธรรมชาติที่เห็ น, น ธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันไม่ปรากฏธรรมชาติที่เห็นไม่ปรากฏว่าธรรมชาติธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่แต่ชี้บอกเฉยๆนะไม่ใช่ว่าให้เราไปหาแต่ชี้บอกให้เห็นตามว่าสิ่งถูกเห็นเนี่ยมีอยู่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่ผู้เห็นไม่ปรากฏตัวผู้เห็นไม่ปรากฏตัวทีนี้ถ้า ถ้าเข้าใจธรรมชาติสองสิ่งเนี่ยคือธรรมชาติที่ปรากฏกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันมีความต่างกันลิบลับเลยธรรมชาติที่ปรากฏมีแล้วต้องหมดไปแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นความไม่ปรากฏถ้าพูดภาษาพอจะให้เข้าใจได้มันเหมือนกับมันไม่มีอ่ะมันไม่มีการปรากฏเออเมื่อธรรมชาติไม่มีปรากฏแบบนี้มันก็ เป็นธรรมชาติที่ไม่มีการหมดไปมันหมดได้ยังไงเพราะมันไม่มีจะหมดแต่มันเป็นธรรมชาติที่ที่ไม่ปรากฏแต่มันก็มีนะเดี๋ยวๆพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวโยมก็ปวดหัวเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ระวังมากเหมือนกันเพราะว่าโยมจะไปหาไงพอไปหาหาไม่เจอแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดถ้าโยมคิ ด, ค, ดคิดเนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยคิดแล้ว ก็รู้เราอ่ารู้เราว่าเราคิดง่ายมากเลยยิ่งคิดที่จะให้รู้คิดที่จะให้เข้าใจก็คือรู้เราเียว่าเราเนี่ยกำลังคิดอยู่รู้ได้นี่เนาะเวลาคิดเวลาเราคิดก็รู้เราได้ว่าเราคิดอ่าเวลาเราหยุดคิดก็รู้ได้นะว่าเราหยุดคิดเพราะฉะนั้นใ่ะการคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้ อายุดคิดมันก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏที่หลวงพ่อต้องเน้นเรื่องให้รู้จักผู้รู้ก็เพื่ออะไรผู้รู้นั่นแหละคือผู้ที่หมายถึงว่าธรรมชาติรู้นั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์เป็นธรรมชาติที่พ้นจากทุกข์ถ้าปฏิบัติธรรมไม่ไม่รู้จักธรรมชาติรู้เนี่ยนะ ถ้าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักธรรมชาติรู้มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติที่มันพ้นทุกข์ก็คือธรรมชาติรู้นี่แหละรู้แจ้งไปหมดแต่ก็ไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขแต่ก็อยากเขี้ยวเขนมันมากเพราะว่าถ้าเขียเข่ยวขนมันมากมันก็จะมีตัวเราเนาะตัวเราไปพยายามสแสวงหาสแสวงหาก็ไม่เจอแต่ถ้ารู้ตัวเราว่าเรากาลังสแสวงหานั่นเท่ากับ ว, ว่ามีรู้แล้ว คือรู้เราว่าเรากำลังแสวแหงหาอืมเอาใครลองอธิบายตรงนี้ดูช่วยๆกันเพราะว่ามันมันยากหลวงพ่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงช่วยกันนะคนไหนที่มีความสามารถที่จะพูดเรื่องตรงนี้ช่วยกันดูเอาตัวอย่างของโยมธรรมะดูเนาะโยมธรรมะเคยติดขัดดิ้นกันหลายวันมันไม่หลุดสัที แล้วพอได้ฟังหลวงพ่อคำสองคำแล้วมันหลุดเออมันเป็นยังไงพอจำได้มาเหตุการณ์อย่างนั้นเป็นประสบการณ์จำได้ครับคือที่ที่ติดขัดเนี่ยคือผมผมก็เคยเรีย น, เ ร, ยนเรียนกับหลวงพ่อม า, มาบ่อยนะครับท่านก็ชี้ชีใ้ให้ให้คี้คายชี้ให้รู้กับสภาวะาบ่อผอ ย, อยแตครานี้เวลาที่พอน่ยมันกลายเป็นว่า มันอยู่อยู่กับตัวที่ต่อก็เรียนท่านนะครับว่าหลวงพ่อครับผมจะทํายังไงดีว่ตัวเนี้ยผมมันไม่สามารถหลุดออกจากสภาวะนี้ได้เลยมันมันเป็นมันเป็นตัวที่พยายามจะรู้รู้รู้หลวงพ่อก็ถามว่าเอา้าแล้วตัวที่พยายามที่รู้ที่ที่บอกหลวงพ่ออ่ะนี่มันก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วนี่อประมาณนี้นะครับผมท่านพูดเท่าเนี้แหละมันก็อา้า ที่ผ่านมามันก็เป็นเราก็าวนอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้คือจากจากสิ่งจากสิ่งที่ถูกรู้ก็กลายไปเป็นกลายไปเป็นอะไระครไปกลายไปกลายเป็นตัวเราเข้าไปเป็นไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยหลงวนอยู่กับสภาวะเหล่านั้นไปหมดฮะพอท่านชี้ปุ๊บมันก็กลับมาอ๋อนี่คือสิ่งที่ถูกรู้มันก็หลุดของมันเองอครับถึงจะ <c oughs> หลุดก็ง่าย ไอ้ดิ้นหายวันมันไม่หลุดเพราะเอาตัวเราไปดิ้นจะหลุดแต่ไม่เห็นตัวเราสักทีเอาตัวเราพยาไม่หลุดแต่ไม่เห็นตัวเราผู้พยายาไม่หลุดมันก็หลุดได้ยังไงอ่ะใช่ลืมลืมไอ้ตัวที่มันมันไม่ใช่ตัวเนี้เออมันลืมไปเลยอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะสมุนตรา คือบางทียกตัวอย่างคนอื่นมันยากเอายกตัวอย่างเป็นหลวงพ่อเนาะสมมติว่าตอนนี้หลวงพ่อกลุ้มมากเลยนะกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจมากเลยอะแล้วหลวงพ่อก็คิดคิดทั้งคิดทั้งดิ้นเพื่อที่จะให้หลวงพ่อเนี่ยหายไปจากความกลุ้มใจคือให้มันกลับเป็นสภาพแบบปกติแต่มันไม่หายจากความกลุ้มใจสักทีหนงเพราะว่าหลวงพ่อยิ่งดิ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลุ้มหมดเนาะแต่หลวงพ่อลืมไปว่าไอ้ธรรมชาติ ที่มันไม่ดิ้นอ่ะธรรมชาติที่มันไม่อะไรเลยอ่ะมันมีอยู่เออมันนึกตรงมันลืมไปแต่ถ้านึกได้ขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บมันจะรู้เลยว่าเอา้าไอตัวเรานี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยมันดิ้นอะไรนักหนาเหรอถึงมันจะดิ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้จักไอตัวนู้นแล้วไอตัวที่ไม่ดิ้นอ่ะแล้วก็ตัวที่ไม่ดินด้นคือตัวไหนก็เกิด ต, ตัวที่รู้ว่าเราดิ้นอ่ะแต่ต้อก็พูดยากอีกานันเนาะแต่เอาไงแค่เข้าใจตรงนี้ เดี๋ยวนะหลวงพ่อต้องยกตัวอย่างที่มันและและที่หลวงพ่อแบบนี้ถ้าว่าถนัดส่วนตัวนะเพราะว่าทำไมมันถนัดเพราะว่ามันมันรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วมันมันไม่ลืมมันไม่ลืมเพราะมันไม่ลืมเสร็จแล้วก็ชอบยกตัวอย่างก็คือที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องว่าเอเข้าห้องเนี่ยเข้าห้องว่างนะเข้าห้องว่างปับ๊บตอนแรกเราเข้าไปในห้องว่างก็รู้ว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอ่า แต่ทีนี้เมื่ออยู่ๆมีวันหนึ่งพอเราเข้าห้องว่างปั๊บโอเคมันเห็นว่าคนอื่นไม่มีแต่มันเห็นตัวเองว่าเอาก็มีตัวเองอยู่ทีนี้มันจะเห็นความแตกต่างระหว่างการที่ครั้งแรกที่เข้าไปไม่เห็นตัวเองก็เรียกว่ามันลืมมันลืมไปมันลืมตัวไปก็เลยไม่เห็นตัวเองแต่พอเข้าหนหลังมันนึกได้มันไม่ลืมว่ามีตัวเองอยู่ในห้องจึงทาให้เกิด การรู้จักไอตัวที่มารู้เราขึ้นมาว่าโอมันมีไอตัวรู้เรานี่ถ้าไม่มีตัวรู้เราก็เหมือนกับเข้าห้องครั้งแรกคือมันไม่รู้เราตอนนั้นไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไอตัวรู้เราเนาะแต่พอเข้าครั้งหลังปั๊บมันมีตัวรู้เราขึ้นมาว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องว่างก็เลยรู้จักว่าไอตัวรู้เรามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นความหลุดพ้นไปจากเราไอตัวนั้นแหละมันไม่มีตัวแต่เป็นแล้วก็เป็นความไม่ปรากฏ เลยเข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์ขึ้นมาว่าไอ้ตัวที่มันไม่ทุกข์เลยอ่ะก็คือไอ้รู้นั่นแหละแต่ตัวทุกข์เนี่ยคือตัวเราต่างหากนะตัวเรานี่แหละไอ้ตัวเราที่เข้าอยู่ในห้องนั่นแหละตัวเนี้คือตัวทุกข์แล้วก็ตายเกิดแก่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายตายไม่เหลือแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยซึ่งมันไม่ปรากฏตัวไอ้ตัวนี้ยมันไม่ตายมันตายได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวจะตาย ใช่มมันทุกข์ได้ยังไงมันไม่มีตัวจะทุกข์มันมีแต่รู้มีแต่รู้รู้รู้แล้วมันอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปหาเลยเพียงแต่เข้าใจด้วยปัญญาแบบเนี้เข้าใจว่าไอ้รู้ที่ไม่ปรากฏเนี่ยมีอยู่มีอยู่แบบไม่ปรากฏพอเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเดินจะนั่งไปดวงไหนเนี่ยมันรู้เราไปหมดจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้เนี่ยมันเหมือนกับ มันตามรู้อ่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ตามหรอกมันแต่มันก็รู้พอเป็นอย่างเนี้ยก็เรียกว่าอยู่กับความไม่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไงเพราะว่าเป็นทุกข์ทำไมอ่ะเพราะว่ารู้มันไม่เคยเป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องไปจัดการกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันมีแต่รู้เราไอเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เก็บทุกข์ปวดทุกข์ป่วยอยู่เนี่ยทุกข์แต่ก็มันก็เป็นธรรมชาติไงธรรมชาติเกิดมามันต้องเก็บต้องป่วยเป็นธรรมดา แต่รู้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ป ว, ปวดเลยเนี่ยนั่นแหะก็คือธรรมชาติรู้อันนั้นเนี่ยไม่ยากนะยกตัวอย่างถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยลองเข้าหลวงพ่อก็เคยแนะนําเนี่ยตอนเนี้ใครอยู่ในห้องอะ่ะอยู่ในห้องอะ่ะมันรู้ได้ไหมเราว่ามีตัวเราอยู่รู้ได้นะมันต้องรู้สิว่าตัวเราอยู่แล้วลองออกจากห้องสิมันรู้ได้ว่าตัวเราออกจากห้องแล้วอะ่ะเ อ, อแล้วตัวลองกลับเข้ามาในห้องใหม่มันก็รู้อีกว่าตัวเรากลับเข้ามาในห้องแล้ว เพราะันเราวิ่งเข้าออกอยู่หน้าประตูอะไรวิ่งเข้าวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็รู้ชัดขึ้นเองว่าเออไอตัวนี้มันวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ตัวรู้มันไม่ได้วิ่งไม่ได้เข้าไม่ได้ออกมันก็ได้แต่รู้อ่าพี่เป็นแบบฝึกหัดก็ลองไปเล่นเล่ น, ลนดูไม่บวหัชแน่นอนแบบนี้ท่านคะแล้วแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าตัวที่ตัวเราจะไปสนทนากับตัวที่รู้อ่ะค่ะที่ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งอะค่ะ ในตัวเองรู้สึกว่ามีมีคนสองคนอยู่ในตัวเดียวกันค่ะคนหนึ่งก็จะมองมองว่าเรากําลังทำอะไรอยู่มองมองแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะมามาบอกเหมือนกับมีการโต้ตอบกันเองในตัวค่ะก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่ามันใช่สภาวะของตัวที่รู้กับกับคนที่รู้อย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เราเราสร้างมโนขึ้นมาเอง ตัวที่รู้จริงๆมันมันไม่มีบทสนทนามันเป็นแค่การรับรู้เท่านั้นเองนะคะมันเป็นแบบหนึ่งบ้างเมื่อกี้พูดถึงมันมีสองตัวเนาะที่ยอมว่าเนาะมันมีตัวรู้มันมีตัวที่พูดที่พูดได้ที่พูดกับเราไอ้พวกนี้เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยทำไมจึงเรียกว่าสิ่งถูกรู้เพราะว่ารู้ว่ามันมันมีสองตัวนะมันมีสองตัวแล้วก็มันก็พูดกันมันคุยกัน ไอ้รู้ตัวที่ไม่พูดเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ไอ้สองตัวเนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าไอ้สองตัวเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรหรือพูดอะไรเนี่ยเเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอีกไอไ้รู้ที่ ท, ที่ที่รู้เนี่ยมันมันใคาว่ามันมันพ้นไปจากไอ้สองสองตัวเนี้ยเมื่อกี้โยงใช้คําว่าสองตัวเราที่มันมันค<ๆ>ุยกันใช่ไหมค่ยใช่ค่ะ เออแล้วพอพอพอหลวงพไหมพอหลวงพ่ออธิบายแบบนี้คือไอสองตัวเนี่ยเห็นไหมคือทําทําไมจึงรู้ว่ามีสองตัวก็เพราะว่ามันมีรู้อีกรู้หนึ่งมารู้เนี่ยไอเนี้ยมีสองตัวและสองตัวเนี่ยมันพูดมันสลับกันพูดมันสลับกันอะไรเนี้ยโต้ตอบกันไปมามันพูดได้ไงไอไอไอรู้ที่รู้ไม่จริงอ่ยมันก็พูดไปเรื่อยเนาะเออแต่รู้จริงรู้แท้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าไอสองตัวเนี่ยคุยกันอยู่แต่มันเนี่ยไม่ได้คุยด้วยมันไม่ได้พูดด้วยมันได้แต่รู้อย่างเดียว พอเห็นภาพไหมอ๋อชัดเลยค่ะท่านมากเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะขอบคุณค่ะโล่งไหมโล่งไหมสว่างใจขึ้นไหมพอๆโล่งค่ะโล่งค่ะสว่างใจสว่างขึ้นค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่ที่ที่ได้ท่านได้คุยกันหลายท่านได้คุยกันชำเป็นพรก็ได้กลับมาคิดคคิดอีกแล้วค่ะท่านคิดกับตัวเองว่าทําไมเราคิดทําไมเราถึงปวดหัวก็เลยได้คําตอบว่าที่เราคิดแล้วเราปวดหัวเนี่ยเราเรา มาเรียนรู้ว่าเพราะเราคิดเพื่อที่จะไปบอกต่อเพื่อที่จะไปเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้อาไปบอกต่อไปพูดคุยไปไปสนทนากับคนอื่นมันก็เลยทำให้เราปวดหัวถ้าสมมติเราไม่เรารับฟังอย่างที่คุณเจริญรัตหรือคุณธรามะบอ ก, ก น, นะคะก็คือฟังแค่นั้นฟังให้เราแค่รู้แค่ตัวเรามีสติแล้วก็เข้าใจแค่ตัวเราก็าพอ มันก็ไม่ต้องที่มันนั่งปวดหัวเพราะคิดมากคิดให้มันอยากจะให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อที่จะไปส่งต่อเนี่ยมันเลยทำให้เราปวดหัะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งต่อรู้แค่ตัวเราเข้าใจแค่ตรงนี้ที่ได้รับรู้ก็เพียงพอค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุสาธุโอ้นี่อย่างนี้เราได้ก็เรียกว่าได้ต้นทางเลยเนี่ยได้ต้นทางคือมัน มันเป็นความรู้ใหม่ไงเพราะไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนแล้ววันนี้เป็นการเหมือนกับรู้ครั้งแรกว่าอ๋อมันมีไอ้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติที่รู้รู้อะไรก็รู้ไอ้ตัวสองตัวที่มันคุยกันนั่นแหละแล้วก็มันก็แยกชัดเหมือนกับว่าทําให้เข้าใจชัดเลยว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันได้แต่รู้ส่วไหนธรรมชาติที่มันพูดได้เนี่ยมันก็มีกี่ตัวก็มันพวกนี้เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยจะมีมากกว่า2ตัวสาตัวกี่ตัวก็เมันพูดอะไรเนี่ย มันถูกรู้หมดเลยง่ายแล้วทีเนี้ยก็ไปตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญให้มากนะเจริญก็คือสังเกตทําความประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะแจ้งแจ้งแจ้งยิ่งขึ้นนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเริ่มแวบๆเบามเริ่มจับทางได้ต่อไปมันก็จะรู้แจ้งในในตัวเรานี่แหละว่าในตัวเรามันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะไอตัวที่มันพูดกันน่นแหละมันเถียงกันน่ะมันถูกรู้หมดเลยพวกเนี้ยมันจะเถียงอะไรมันอ้างเหตุผลอย่างไรเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลย แล้วก็จะเกิดปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไอ้รู้แท้รู้จริงเนี่ยมันเป็นบ้ายมันไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วไอ้บ้านั่นแหละไอ้ตัวบ้านั่นแหละไอ้ตัวที่มันไม่เคยทุกข์ไม่เคยสุขคือมันเป็นนิพพานคือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอ่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่พ้นทุกข์ส่วนไอ้ไอ้ตัวที่พูดเอาพูดเอาไอ้ตัวนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับพูดทิ้งก็ดับทิ้งพูดทิ้งก็ดับทีหนึ่งอ่าใช่ไหมเพราะนั้นก็รู้จักสิ่งที่เกิดที่ดับ แล้วกับรู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ครบตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะสวัสดีออเดียนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะค่ะหล่มพ่อจะมีอะไรทิ้งท้ายก่อนที่จะปิดเซสชันไหมคะอนนี้มันจะหมดเวลาอีกแล้วเนะเาะค่ะ ก็สิ่งที่หลวงพ่อพูดวันนี้แต่จริงรวมถึงเทศนะพูดวันอื่นนะที่หลวงพ่อมีการยกตัวอย่างประกอบเช่นการฝึกรู้ตัวเนี่ยให้รู้ตัวเราเนี่ยหลวงพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ในห้องเข้าห้องออกจากห้องเข้าห้องออกจากห้องอันนี้ก็ได้อยู่หรือว่าไปยืนดูอะไรก็ได้ไปยืนดูต้นไม้ไปยืดูน้ํา ดูไปเะแล้วก็จะรู้ได้ว่ามีตัวเราเป็นผู้ยืนดูอยู่อ่าเห็นไหมแล้วตัวเราเนี่ยก็จะพูดจะพากไปเรื่อยอ่าทีนี้พอหัดอย่างเงี้ยก็หัดอย่างอื่นหัดไปเรื่อยเลยหัดดูคนอื่นบ้างนั่งกันร้อยคนสิบคนมันก็จะรู้ว่าเอาสมมติว่าอยู่ในที่ตรงนั้นนะร้อยคนนะรวมถึงตัวเราด้วยเนาะแล้วมันก็จะรู้เลยว่าไอ้เก้าสบเ้าคนน่ยมันไม่ใช่เรา ส่วนเราเนี่ยมีแค่หนึ่งคนตรงนี้ก็จกับรู้เราแล้วแล้วก็ดูคนกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่มันก็จะรู้เราว่ามีเราอยู่หนึ่งคนตรงนี้มันจะรู้เราพอมันรู้เราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็รู้รู้จักรู้นอกรู้ในอ่ะหมายถึงว่าไอ้ข้างนอกมันก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เราแล้วไอ้เราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตรงนี้มันจะเข้าใจเรื่องรู้ไม่ยากเลยว่ารู้เนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่เราแล้วมันไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็น ง่ายมากแล้วโล่งโปร่งเบาเนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้มันจะโล่งและมันจะโปร่งจะเบาแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องคิดให้รู้เนี่ยมันเหมือนกับมันเข้าใจไปแล้วมันเห็นไปแล้วมันรู้ไปแล้วนะก็ฝากไว้เป็นเป็นการบ้านนะเป็นการบ้านหมายถึงว่าไปไปเล่นเล่นอ่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันมันเข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้เลยนะมันไม่ใช่ว่ามีขั้นตอนต้องไปไหว้พระสวดมนต์ต้องไปทําพิธีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลย มันอยู่ที่ให้รู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แค่นี้มันก็จบ ม, ม้วนละเนาะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้